อัตนน้จากแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะในการปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปนยะแห่งวัมิก ร, ร, ระสูตรคือประสูนที่ทรงอุปมาร่างกายเหมือนกับจอมปลุกที่ทรงสอนให้ปฏิบัติเิลาประสบกับอารมณ์ในตอนต่อไปนั้น เล่า ว, ว่าสุมเมศมนก็ได้ขุดตามคำสั่งคสั่งของอาจารย์ต่อไปและได้พบเขียงหันเนื้ออาจารย์ก็บอกว่าให้ขุดเขียงหันเนื้อนั้นออกมาพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอธิบายว่ากามาเขียงหันเนื้อในที่นี้นั้นหมายถึงกามาคุณคือรูปเสียงกลิ่นรส โปรดภะหรือเย็นร้อนอ่อนแข็งและอารมณ์อันน่าใคร่น่าปรารถนาหน้าพอใจซึ่งใจของบุคคลไปกำหนดหมายไว้ในฐานะอย่างนั้นการที่ทรงอุปมากามคุณเหมือนเขียงหันเนื้อนั้นเป็นการแสดงโดยนยยต่างๆกันออกไปเพื่อเกิดเป็นภาพขึ้น ในความคิดของผู้ศึกษาและผู้ปฏิบัติโดยเห็นว่าธรรมดาวเาเืียงหั่นเนื้อนั้นใครจะนำอะไรลงไปหัน่นบนเขียงก็ตามเขียงมีแต่จะสึกกร่อนลงไปโดยลำดับและตนเองก็ไม่ได้รู้รสของสิ่งที่เขานำเข้าไปหัน่นบนตัวเขียงนั้นๆ นี่ก็เป็นอุปมาการมคุณในลักษณะหนึ่งที่เชีเห็นได้ว่าวัตถุกรรมทั้งหลายที่บุคคลไปปักใจวัตถรูปนั้นสวยเสียงนั้นไพเราะกลิ่นนั้นหอมรสนั้นอร่อยสัมผัสนั้นน่าจับต้องแล้วก็มีความเพลิดเพลินมีความเริงหลงยินดีไขว่ ค, ควันหาครอบครองป้องกัน ได้ต่อสู้เพื่อรักษาสิ่งเหล่านั้นเอาไว้แต่ในที่สุดจริงๆแล้วตนเองก็ไม่ได้สัมผัสความดีเหล่านั้นอย่างแท้จริงเป็นเพียงแต่ภาพลวงตาเป็นภาพมายาเท่านั้นเพราถ้าหากว่าบุคคลจะตั้งคำถามขึ้นมาว่ารูปนั้นสวยจริงหรือเสียงนั้นไพเราะจริงหรือซึ่งถ้าหากว่า เป็นรูปสวยเป็นเสียงไพเราะจริงๆก็ต้องเป็นความสวยงามเป็นความไพเราะที่สากลคือคนทุกคนจะต้องมองเห็นเหมือนกันแต่ความจริงแล้วก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเป็นการมองเป็นการกาหนดหมายตามพื้นอธยาสายคือความชอบใจของตนรูปอย่างหนึ่งสวยงามสำหรับคนหนึ่งตีคนหนึ่งอาจจะรู้สึกว่าไม่สวยงาม อีกคนหนึ่งอาจจะรู้สึกว่าเหรเสียงก็มีลักษณะเช่นเดียวกันแม้กลิ่นรสก็ทำนองนั้นดังนั้นความสวยงามความไพเราะความมาเด็ดอร่อยหรือความหอมตลอดถึงสิ่งที่น่าจับต้องจึงจึงเป็นแต่เพียงภาพมายาเป็นภาพลวงตาที่เกิดขึ้นจากความหลงผิดความเข้าใจผิด ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลซึ่งในแง่ของกิเลสก็คือโมหะแต่การสายไปด้วยแรงปรารถนานั้นก็คือราคะความกำหนัดโลภะ ค, ความอยากได้กามะความใคร่เป็นตน้นซึ่งถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งอีกแง่หนึ่งว่าสิ่งนั้นเป็นความชั่วกับความดี อย่างที่พระผู้มีพระพักตร์ย่อทรงแสดงเอาไว้ว่าการฆ่าสัตว์เป็นความชั่วไม่ว่าจะเป็นการฆ่ากันส่วนส่วนไหนของโลกหรือฆ่าโดยใครก็ตามก็คงเป็นความชั่วเป็นบาปอยู่นั่นเองเหล่านี้จึงเป็นเรื่องสากลคือเป็นความแท้จริงอย่างสากลเกิดขึ้นในจุดใดาทาโดยใครก็เป็นผลอย่างนั้น หรือในงแง่ของความดีก็มีลักษณะเช่นเดียวกันยกตัวอย่างการอยู่ร่วมกันอย่างมีเมตตาจิตเมตรีจิตต่อกันนั้นก็ให้เกิดเป็นความสุขความสงบขึ้นในสังคมนั้นๆและไม่ว่าจะเป็นชนชาติใดยอยู่ในส่วนใดหรือจะเป็นใครแม้แต่สัตว์ใดสัตว์ถ้าอยู่กันด้วยความรักความปรารถนาดีต่อกันแล้วความสุขความสงบก็จะเกิดขึ้น ในสถานที่นั้ น, น, นเพราะงั้นธรรมะจึงเป็นตัวสากลเป็นความจริงที่แท้จริงแต่การมคุณนั้นเป็นภาพรวงตาเป็นเพียงภาพมายาดังที่กล่าวแล้วในขณะที่บุคคลเพอ้อฝันคิดคำหนึ่งปักใจหมายมั่นเอาว่านั่นเป็นของเราด้วยประการต่างๆนั้น เป็นการสมมติบัญญัติขึ้นในช่วงหนึ่งในขณะหนึ่งในที่สุดบุคคลก็ทอดทิ้งสิ่งทั้งหมดนั้นไปปล่อยไว้ให้เป็นสมบัติของโลกจึงไม่ใช่เป็นเจ้าของสิ่งนั้นอย่างแท้จริงและไม่ได้เข้าถึงความแท้จริงของสิ่งเหล่านั้นด้วยตนเองนั้นจึงมีลักษณะเหมือนเขียงที่หั่นเนื้อใครจะนำอะไรมาหั่นก็ตาม ยังไม่เคยได้ลิ้มรสแต่ในขณะเดียวกันตัวเองก็สึกกร่อนไปโดยลำดับจนในที่สุดก็หมดสภาพความเป็นเกียงการที่บุคคลหมายมั่นบุพพันธ์อยู่ในกาลมาคุณก็มีลักษณะอย่างนั้นคอยคว้าไปของเราของเราของเราแต่ควาจริงแล้วแม้แต่ตัวของเราก็ไม่เป็นของเราทรัพย์สมบัติทั้งหมดก็ไม่เป็นของเรา เนื้อหนังมังสาทั้งหมดก็ไม่เป็นของเราจะต้องแตกไปตามการเมื่อความตายมาถึงเขา้าอุปมาอีกประการหนึ่งซึ่งทรงใช้ในรูปของเขียงหั่นเนื้อเช่นเดียวกันหมายความว่าบรรดาสัตว์โลกทั้งหลายนั้นจะต้องตกอยู่ในอำนาจของกามคุณทุกคนจับมาหั่นอยู่ในกามคุณ แล้วก็ตายอยู่ในท่ามกลางกามาคุณแวกไหว้หมุนเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในกรรมคุณนั่นเองซึ่งก็หมายความว่าศาสตร์ใดที่ยังไม่สำรอกความกำหนัดความพอใจความยินดีออกไปจากกรรมคุณได้ในด้านของจิตใจและในด้านของการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตรของคนในะสัตว์ทั้งหลาย ก็จะต้องตกอยู่ภายใต้อำนาจของกามคุณเรื่อยไปเกิดขึ้นมามีการสแสวงหามีการไขว่คว้ามีการได้มามีการถือครองมีการป้องกันมีการต่อสู้เพื่อพิทักษ์รักษาสิ่งที่เรียกว่ากามคุณทั้งหลายไ้บางครั้งก็บาดเจ็บล้มตายพิการตายไปเกิดใหม่ก็คงเป็นอย่างนั้นอยู่อีกคือแวดบงอยู่ในแวดวงของกามคุณ แม้จะไปบังเกิดในสุกติโลกสวรรค์ก็ยังเกี่ยวข้องผูกพันอยู่ในเรื่องเหล่านี้ที่ท่านเรียกสวรรค์ว่ากามาวจรคือชั้นที่จิตยังท่องเที่ยวยังหมกมุ่นยังเพลิดเพลินอยู่ในการมาขุดนั่นเองเป็นการชี้แสดงเห็นได้ว่าสาบใดที่ความกำหนัดความยินดีในอารมณ์ มีรูปเป็นต้นยังมีอยู่ภายในจิตใจของบุคคลสาบนั้นบุคคลก็จะถูกหัน่นถูกทำลายถูกฆ่าอยู่ภายในกามคุณภายในอำนาจของกามคุณนั่นเองความเป็นอยู่ในโลกไม่ว่าในยุคใดสมัยใดคนเราต่อสู้ป้องกันแสวงหาจนแม้กระทำสงครามกันมีคนล้มหายตายจากกันไปเป็นนั้นมาก ก็เป็นเรื่องของกามคุณมีการยื่แจ้งปรารถนาในสิ่งเดียวกันต่างฝ่ายต่างอยากได้ไม่ไม่อาจหาข้อยุติได้ก็ใช้กําลังประัดประหารกันบาปอากุศลเป็นนั้นมากเกิดขึ้นเพราะการกําหนดหมายวัตถุ ก, กรรมว่าเป็นสิ่งน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจแล้วก็คงเป็นอย่างนั้นอยู่เรื่อยไปบาปใดที่ยังไม่สํารอก กิเลสที่เป็นเหตุให้เกิดความกำหนัดรักข่ายยินดีออกไปจากจิตใจของตนเหตุนั้นพระผู้มีพระุทธเจ้าจึงรับสั่งให้ขุดให้ยกออกเสียซึ่งเขียงหันเนื้อเหล่านั้นหมายความว่ายกความกำหนัดความยินดีในกายมคุณออกไปแต่ว่าเวลาสอนนั้นทรงใช้คําว่าให้พยายามเอาศีาขุด คำว่าศัทธาดังที่เคยได้กล่าวมาแล้วว่าเป็นปัญญาการขุดนั้นคือความเพียรพยายามซึ่งเป็นหลักที่ทรงสอนให้ใช้ทุกขั้นตอนแห่งการประพฤติปฏิบัติสรุปแล้วก็คือเรื่องของสติปัญญาและความเพียรไม่ว่าในชั้นใดก็ตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชั้นของการปฏิบัติทางจิต ส่วนที่เป็นสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานต่อมาที่จะต้องใช้มากคือสติสัมปชัญญะความเพียรในกรณีนี้ก็เหมือนกันการกำหนดรู้ระลึกรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเป็นอาการของสติสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะจึงเ ป, เป็นเหมือนตัวสัตราที่ขุดลงไปแล้วก็กระทบกับสิ่งเหล่านั้น เราก็ระลึกรู้ได้ว่าอะไรเป็นอะไรในจริงเดนั้นตัวความเพียรพยายามจึงเหมือนอาการขุดซึ่งต้องกระทําหยุดเรื่อยไปในชั้นของการประพฤติปฏิบัติโดยทั่วๆไปนั้นเรื่องของกามคุณเป็นปัญหาที่เรียกว่าผมเข้าตาหรือเส้นผมบางผุเขา จำเป็นจะต้องใช้ปริมาณของปัญญาสูงพอสมควรจึงจะมองเห็นได้พิจารณาเห็นได้ในชั้นของการประพฤติปฏิบัติจึงมีการบ่มปัญญาหรือเพิ่มพูนปัญญาขึ้นข้อนี้จะเห็นได้ว่าปริมาณของปัญญาที่บังเกิดขึ้นนั่นเองจะเป็นตัวกําหนดหมายเป็นตัวแยกจะหาความเข้าใจหาเหตุผลในเรื่องเหล่านั้น ก็นี้พึงดูตัวอย่างว่าความแตกต่างในชั้นของปัญญาแห่งบุคคลทั้งหลายนั้นทําให้การมองการวินิจฉัยสิ่งเดียวกันแตกต่างกันออกไปอย่างปัญญาระดับเด็กมองความสนุกสนานเพลิดเพลินมองตุ๊กตามองของเล่นต่างๆเป็นเรื่องของชีวิตจิตใจมองตุ๊กตาเป็นเพื่อนเป็นน้องเป็นพี่ที่จะต้องทะนุถนอมอเอาใจใส่ แต่เมื่อได้รับการศึกษาได้รับการอบรมมีความเติบโตขึ้นทางด้านร่างกายและจิตใจเด็กก็จะเลิกเล่นตุ๊กตาแล้วก็ไม่ให้ความสำคัญในลักษณะดังกล่าวแล้วแก่ตุ๊กตาเหล่านั้นพอเป็นผู้ใหญ่ขึ้นจิตก็จะพลากจากความพอใจยินดีในตุ๊กตานั้นได้โดยเด็ดขาดนี่อะไรเป็นตัวกำหนดเป็นตัวแบ่งแยก ก็คือปริมาณของปัญญาที่เพิ่มขึ้นสูงขึ้นภายในจิตใจนั่นเองที่ท่านใช้คำว่าเป็นวินยูชนคือรู้แจ้งรู้วิเศษรู้แยกแะให้กระจายออกไปได้ทำให้บุคคลสามารถใช้ปัญญานั่นเองวิเคราะห์ตัดสินสิ่งต่างๆได้เข้าถึงแก่นแท้เข้าถึงภาวะอันแท้จริงของสิ่งเหล่านั้นได้โดยลาดับ จึงก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของปัญญาว่าจะมีมากหรือมีน้อยแค่ไหนเพียงไรเรื่องของวัตถุกรรมทั้งหลายก็มีลักษณะอย่างนั้นในโอกาสหนึ่งคนก็ไปสยบไปยึดไปติดไปปักใจฝังใจอยู่ในเรื่องนั้นๆแต่เมื่อได้ศึกษาได้เรียนรู้ได้หาความเข้าใจแล้วแท้จริงบุคคลทอดทิ้งสิ่งต่างๆมาโดยลำดั แต่ว่าเป็นการทอดทิ้งแบบคว้าจับอย่างอื่นต่อไปทิ้งสิ่งนี้ไปคว้าจับอีกสิ่งหนึ่งทิ้งสิ่งหนึ่งไปคว้าจับอีกสิ่งหนึ่งซึ่งก็ไม่หลุดรอดไปจากกรารมคุณคือยังตกอยู่บนเขียงหันเนื้อท่านเองกรนี้พึงดูตัวอย่างว่าเช่นว่าเสื้อผ้าหรือเครื่องแต่งตัวหรือว่ารถที่ใช้หรือเครื่องประดับอย่างอื่นเป็นต้นที่จริงก็มีเปลี่ยนกันมาด้วย แต่เปลี่ยนเพื่อคว้าจับอย่างกิดในที่สุดก็หมุนวนอยู่ในเรื่องเห่านั้นคือยังไม่หลุดรอดไปจากตาข่ายหรือบ่วงคือกามคุณไปได้การที่ต้องเดือดร้อนบุ่นวายและมีเวรมีภัยเพราะอาศัยกามคุณเป็นเหตุก็ยังมีอยู่ในเรื่องนี้จำเป็นที่จะต้องอาศัยปัญญาซึ่งเป็นประดุษสตระใช้การวิเคราะห์ขบ จะพินิษพิจารณาอยู่ดบ่อยๆนึกอยู่บ่อยๆเห็นอะไรก็สร้างความคิดในเรื่องนี้ให้สัมพันธ์ขึ้นมาซึ่งในชั้นของความคิดนี้อาจจะดูอะไรก็ได้ดูภาพข่าวหนังสือพิมพ์นั่งไปบนรถเมล์หรือแม้แต่ว่าตรึกนึกอยู่ด้วยตัวเองแต่ถ้าการเป็นการนึกคิดพินิษฐพิจารณาด้วยปัญญาแล้วก็จะเข้าใจความจริงของสิ่งเหล่านั้นว่าโดยสภาวะที่แท้จริงและเป็นอย่างไร เป็นจริงแล้วปริมาณของความเพียรก็จะเพิ่มขึ้นเองความเพียรที่ความเพียรพยายามที่จะถ่ายถอนตนออกไปจากอำนาจของอารมณ์ดอกนั้นจะบังเกิดขึ้นโดยลำดับดังนั้นเวลาทรงแสดงในปริยายอื่นในที่อื่นจึงทรงอุปมากรรมมาคุณไว้โดยนยยต่างๆเพื่อเกิดเป็นภาพที่บุคคลสามารถคิดสามารถพิจารณาแล้วก็เห็นได้ ชนบางคราวก็ทรงอุปมาว่าเป็นประดุษศรีรษะอัศรพิษคืออสศรพิษนั้นในแง่ของประโยชน์มันก็มีประโยชน์อยู่แต่วันงแง่ของโทษนั้นก็มีโทษมากเมื่อเทียบเคียงกับประโยชน์กับโทษแล้วตัวโทษนั้นมีมากกว่าประโยชน์ในขณะเดียวกันบุคคลก็ยังเกี่ยวข้องอยู่กับอัศรพิษเหล่านั้น วิธีที่จะจับอสราพิษจึงเป็นปัญหาหลักว่าจะจับอย่างไรจึงจะใช้ประโยชน์จากอสราพิษได้จับอย่างไรอสราพิษจะกัดเอาแลวเมื่อกัดแล้วก็อาจจะถึงแก่การรักกิยาตายไปได้จึงต้องฉลาดในการจับดังนั้นการเกี่ยวข้องกับการมคุณคือรูปเสียงกลิ่นรสปวดตัพะดังกล่าวก็มีลักษณะอย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นชั้นอะไรก็ตาม จนในขั้นของการครองเรือนก็เกี่ยวข้องอยู่กับกรรมคุณแต่ <c oughs> นในขณะเดียวกันบุคคลก็ยังมีความจำเป็นที่จะอยู่ครอบครองเรือนในชั้นนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนว่าครองให้ดีโดยมีกฎเกณฑ์มีเงื่อนไขมีการกำหนดหน้าที่มีหลักในการประพฤติปฏิบัติโดยความเอื้อเฟื้อต่อกันเพราะอะไรเพราะว่าเย้าเรือนที่ครอบครองไม่ดีมีแต่ความทุกข์ ซึ่งก็หมายความว่าถ้าเย้าเรือนที่ครอบครองดีก็มีความสุขในระดับการครองเรือนได้เหมือนกันบางครั้งก็ทรงอุปมาเหมือนกับถือคบไฟทวนลมซึ่งเรามีความจําเป็นที่จะต้องใช้คบเพลิงเป็นเครื่องส่องทางเพื่อหเห็นล น, นทางแต่ในขณะเดียวกันความร้อนของคบเพลิงนั้นก็แผดเผาเราได้เราทำอย่างไงจึงจะถือคบเพลิงมาให้ไฟเข้าตา และหม้ไฟลวกไม้เอาแต่ในขณะเดียวกันเราก็ได้รับประโยชน์จากคบเพลิงเหล่านั้นซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องอาศัยปัญญาทั้งหมดเป็นหลักในการพินิษ์พิจารณาแยกแยะแล้วก็ปรับใช้ให้เกิดเป็นประโยชน์ขึ้นมานี่ในชั้นของการกรองเรือนซึ่งยังต้องเกี่ยวข้องอยู่ก็สงสอนให้ใช้ปัญญาเป็นหลักเช่นเดียวกัน ส่วนในชันการประพฤติปฏิบัติเบื้องสูงขึ้นไปเฉพาะในที่นี้เป็นการสอนเพื่อจุดมุ่งหมายปลายทางที่สูงสุดคืออรหันตคุณจึงทรงสอนในรูปของการทำลายการมคุณเหล่านั้นคือทำลายความกําหนัดความยึดติดความยินดีในกรมคุณเหล่านั้นที่จริงไม่ใช่เป็นการทำลายตัวกรมคุณแต่เป็นการทาลายกิเลส ที่เป็นเหตุให้กำหนัดเพลิดเพลิพนยินดีในการมคุณเหล่านั้นและสิ่งที่จะนำเข้าไปทำลายก็คือตัวปัญญาที่อาศัยความเพียงเข้าสนับสนุนซึ่งแน่นอนว่าเมื่อใช้ปัญญาไปแล้วตัวสติก็จะเกิดขึ้นเองเพราะเป็นธรรมะคู่กันบางครั้งก็เรียกสรุปรวมไปว่าสติปัญญาหรือแม้จะเรียกสติอย่างเดียวหรือปัญญาอย่างเดียวแต่ในชั้นของการปฏิบัติก็ต้องมีพร้อมกันทั้งสองข้อ มเมมพื่อสุเมตมาโนบทำตามแล้วท่ขานก็ขุดต่อไปไปพบกับชิ้นเนื้อก็บอกอาจารย์ว่าเป็นชิ้นเนื้ออาจารย์ก็บอกว่าให้ขุดชิ้นเนื้อนั้นเอาสัสว์าขุดชิ้นเนื้อนั้นออกมาพระบุ้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงว่าชิ้นเนื้อนั้นได้แก่นันทิคือความเพลิดเพลินถ้าจะถามว่าเพลิดเพลินในอะไรก็เพลิดเพลินในการมาคุณทั้งห้านั้นเอง คือในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผลิตภัณฑ์และแม้ในธรรมารมณ์ได้แก่อารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในใจข้อนี้จะเห็นได้ว่านันที่คือความเพลิดเพลินนั้นเกิดจากอะไรเกิดจากความกำหนัดความพอใจในสิ่งนั้นสิ่งอะไรก็ตามถ้าไม่มีความกำหนัดไม่มีความพอใจก็จะไม่เกิดความเพลิดเพลินขึ้นเช่นว่าดูหนังดูละครถ้าดูไปแล้วเราไม่ชอบ ก็ไม่เพลิดเพลินสิ่งอะไรก็ตามที่เราชอบที่เราพอใจเราก็เพลิดเพลินในสิ่งนั้นซึ่งบางครั้งอาจจะเป็นเครื่องลายครามเป็นภาพแอปทรักเป็นดอกไม้เป็นก้อนเมฆเป็นภูเขาเป็นทะเลเป็นเสียงเพลงเป็นอะไรก็ตามถ้ามีความพอใจก็เพลิดเพลินถ้าไม่มีความพอใจก็ไม่เพลิดเพลินความเพลิดเพลินจึงเพลิดเพลินเพราะเห็นรูปคือดูรูปจนเพลิน ความเพนนลเพินในลักษณะนี้จะเห็นได้ว่าบางทีก็เพลินในรูปอย่างใดอย่างหนึ่งเพลินอยู่ได้เป็นนานๆ ด, ดูรูปอย่างเดียวดูเครื่องลายครามอย่างเดียวพลิกกลับไปกลับมาวางแล้วก็มองมองแล้วก็วางวางแล้วก็พลิกดูก็เพลินอยู่ได้เป็นหลายๆชั่วโมงตอนนี้ก็ล้วนเป็นกาบคุณทั้งนั้นบางทีก็เพลินในการฟังเสียงยินดีเสียงเพลงเป็นต้น เด็กในสมัยปัจจุบันบางคนฟังเสียงเพลงจนเครื่องวิทยุร้อนเทปลายไปไลยนี่แสดงว่าเพลินมากมีความกำหนัดมีความยินดีมีความเพลิดเพลินในเรื่องเหล่านั้นมากในเรื่องรสอาหารซรื่องกลิ่นก็มีความเพลิดเพลินเช่นเดียวกันดังนั้นตัวนันทิจึงเป็นอาการสําแดงออกว่าสาปใดที่ใจของบุคคลยังกำหนัดยังยินดีอยู่ในอารมณ์เหล่านั้น ก็จะมีความเพลิดเพลินอยู่เรื่อยไปดังนั้นเวลาทรงแสดงเรื่องของตัณหาคืออาการของตัณหาที่จริงก็เป็นพวกเดียวกันทรงแสดงว่าจิตจะมีความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินในอารมณ์หลานั้นซึ่งหมายความว่าตัวกำหนัดตัวพอใจนั่นเองเองเป็นเหตุได้เกิดความเพลิดเพลินต่ว่าไม่มีความกำหนัดไม่มีความพอใจความเพลิดเพลินก็หายไป ความปักใจความฝังใจในวัตถุกามดังกล่าวแล้วว่ารูปสวยเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสน่าจับต้องจึงเป็นตัวการที่ให้เกิดความเพลิดเพลินการปฏิบัติในชั้นนี้จึงเป็นการพิสูจน์ว่าบุคคลได้ขุดทำลายความพอใจในเขียงหั่นเนื้อคือการมคุณออกไปได้หรือไม่ถ้าออกไปได้ก็ไม่กาหนัดเพลิดเพลิน ต่อไปไม่ได้ก็แสดงว่ายังกำหนัดยังเพลิดเพลินแต่ข้อนี้พึงเข้าใจว่าตัวความเพลิดเพลินนั้นบางครั้งอาจจะเพลิดเพลินในสิ่งที่เป็นนามาธรรมก็ได้บางครั้งในรูปธรรมก็ได้และตัวในรูปธรรมก็อาจจะเปลี่ยนแปลงขึ้นไปโดยลำดับเช่นบุคคลอาจจะเลิกเล่นตุ๊ ก, กตาแล้วแต่ก็มาเล่นกล้วยไม้มาเล่นเครื่องลายครามมาเล่นพวกตะลุมมุก มาเล่นนาฬิกาโดยมีความรู้สึกว่าไม่ได้เล่นตุ๊ ก, กตาแล้วแต่แท้จริงนั้นก็คือตุ๊ ก, กตาอีกระดับหนึ่งเพราะอะไรเพราะยังเพลิดเพลินยังสนุกสนานอยู่ในสิ่งเหล่านั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้รับสั่งแสดงแก่สหายของนางวิสาขากลุ่มหนึ่งซึ่งได้ซ่อนสุรามา ดื่มกันต่อหน้าประพักของพระผู้มีพระภาคเจ้าพอสุราย้อมใจได้เต็มที่ก็เริ่มขยับขยื่นร้องเพลงแล้วก็ไล่ร่างไปโดยลำดับพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบันดาลโดยพุทธานุภาพให้สถานที่นั้นมืดผู้เธอทั้งหมดก็ตกใจแล้วก็ทรงบันดาลให้เกิดเป็นแสงสว่างเป็นลําแสงพุ่งเข้ามาในถ้ำกลางความมืดแล้วก็รับสั่งว่า ท่านทั้งหลายจะมัวเพลิดเพลินรื่นเริงอะไรกันจยุบอีกด้างในเมื่อโลกกะสันนิว่ตคือมูสัตว์เหล่านี้ถูกความมืดเคือวิชาหุ้มขอจูท่านที่ถูกความมืดครอบงำจู๋ทำไมจึงไม่แสวงหาประชีพเป็นเครื่องส่องทางเรานี่เป็นการแสดงเห็นได้ว่า ศตร์ใดที่ใจยังกำหนัดยังเพลิดเพลินยังยินดีอยู่ความหมุนวนก็จะบังเกิดขึ้นอีกและจะเพลิดเพลินร่ำไปในลักษณะจับสิ่งนี้วางสิ่งโน้นจับสิ่งโน้นวางสิ่งนั้นก็ไปเรื่อยๆพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ทำลายนั้นที่ความเพลิดเพลินออกไปแต่อย่างที่กล่าวมาแล้วว่าบางครั้งนั้นเป็นเรื่องของความละเมียดละไมคือเพลิดเพลินในเรื่องที่ละเมียดละไมขึ้น ดังนั้นในชั้นหนึ่งจึงเป็นความเพลิดเพลินในผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติในทางจิตก็ได้จช่นว่าเพลิดเพลินอยู่ในปีติในสุขในความสงบที่เกิดขึ้นจากฌานก็ยังถือว่าเป็นนันทิคือเป็นความเพลิดเพลินเพราะอะไรเพราะว่าเพลิดเพลินแล้วจะหยุดจะติดเช่นเพลินดูรูปก็เพลินดูรูปอยู่ตรงนั้นเพลินในเสียงก็หยุดฟังเสียงอยู่ในตรงนั้นไม่มีการก้าวเดินต่อไป ในกา ร, ป, รปฏิบัติก็เหมือนกันถ้าหากว่าเพลิอนอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งที่ยังไม่ถึงเป้าหมายปลายทางก็ยังถือว่าเป็นนันทิคือความเพลิดเพลิอนอยู่ในจุดนั้นอย่างที่เดกเคยกล่าวมาในเรื่องวิสุทธิเจที่ทรงแสดงอุปมาเหมือนรถเจ็ดผลัดที่นำบุคคลผู้ปฏิบัติให้เข้าถึงจุดหมายสูงสุดในทางพระพุทธศาสนานั้น มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ก่อให้กาเกิดความเพลิดเพลินเป็นอันมากที่ท่านเรียกว่าวิปั ส, สนาภกิเลศกระวนแล้วแต่หน้าเพลิดเพลินเนท่านั้นแต่ถ้าใครยังมีความเพลิดเพลินในสิ่งนั้นแม้อย่างเดียวการปฏิบัติก็หยุดชะงักแต่แม้ในชั้นที่สูงขึ้นไปกว่านั้นอีกคือระดับที่เป็นพระนาคามีบุคคลแล้วได้สร้าไปแต่ถ้ายังเพลิดเพลินอยู่ในรูปฌานและอรูปฌาน ที่จริงก็เป็นผลน่าพึงปรารถนาสําหรับปุถุชนแต่สําหรับพระอรหันต์แล้วเป็นสิ่งที่จะต้องละจริงถ้าพระอนาคามีรูปใดยังเพลินอยู่ในเรื่องนี้ท่านก็ยังไม่ก้าวไปสู่ความเป็นอรหันต์ได้นั่นที่คือความเพลิดเพลินจึงกลายเป็นเรื่องที่ยากแก่การละเพราะมีความละเมียดละไมมีความลึกซึง้งบางครั้งก็ติดอยู่เฉพาะส่วนที่เป็นนามธรรม ถ้ายังละไม่ได้โอกาสที่จะก้าวไปสู่จุดสุดท้ายที่ทรงประสงค์ในประโย์นี้ก็เกิดขึ้นไม่ได้แต่ในชั้นสามันธรรมดาทั่วไปนั้นถ้าหากว่าบุคคลพยายามใช้ปัญญาพินิจพิจารณาบรรเทาความกำหนัดความเพลิดเพลินในอารมณ์ต่างๆลงไปได้จิตใจก็จะสัมผัสความสงบเย็นเพิ่มขึ้นโดยลำดับ เพระสิ่งอะไรก็ตามที่ไปกําหนัดไปเพลิดเพลิอนอยู่นั้นโอกาสหนึ่งเวลาหนึ่งก็จะทําให้ปริมาณของสิ่งที่เพลิดเพลิน ส, สูงขึ้นด้าในที่สุดก็เป็นกระตุกเอากิเลสประเภทเดียวกันที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นที่ไม่มีอยู่แล้วก็เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นดังนั้นความกําหนัดด้วยอํานาจความเพลิดเพลินจึงเป็นเรื่องที่ควรละควรบันเทา ควรสำรวมระวังไม่ให้บังเกิดขึ้นอีกประการหนึ่งต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป